อตั้งใจฟังเทศจบแล้วนั่นให้ผรมพากันตั้งใจอุทิศหาอีน้อยมันตาเลื อ, อ, อ, อ, อมันโทสะลายฐานะมันหายไปได้๋ยนี้เขามันนักโดนามูตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา อุศลัทธมะอุศลัทธมาอะภยาคตาธรรมาสุขายาอิธนายสัมปยุตตาธรรมาทุขายาวิธนายสัมปยุตตาธรรมาอทุกขะมะสุขายาอิธนายสัมปยุตตาธรรมาติ บบัรนี้จะได้แสดงในกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกยังไม่ได้พ้นทุกข์พ้นภัยยังไม่ท่านเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องสวยผลของตนเนื่งเมื่อ ความสุขเกิดขึ้นอันนั้นเป็ว่าสุขขายะเวทนายสัมปายุตตาธรรมาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นเป็นว่าทุกขขายะเวทนายสัมปยุตตาธรรมาเมื่อความสุขความทุกข์อะไหลไม่เกิดขึ้น <c oughs> ให้เก จ, จิต ของสัตว์ทางหลายที่ยังเป็นทุกข์องเป็นวุตตุชนอันนั้นแปลว่าความพักผ่อนไม่่วยอะไรทุกอย่างแนกว่าอทุกขะมสุขาเวทนาแปลว่ายังมีเวทนาอยู่คือความสวยอันนี้้วให้เราทุกคนจงคิดนึกว่า <c oughs> ที่ยังเป็นบุตรชนอยู่เนี่ต้องมีการถือการถือทั้งหลายพเนว่าอุปทานถือความสุขก็สุขเกิดขึ้นถือความทุกข์ก็ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ถือถือทุกข์ถือสุขประการใดก็มีเวทนาอันหนึ่งมีอยู่ ในใจของบุคคลผู้นั้นอันความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเรายัางเป็นวุตุชนเรายัางเป็นมนุษย์อยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้เราสะสมความสุขคือบุญกุศลเกิดขึ้นให้กิจจิตของตนเมื่อเกิดได้รูปร่างกายอันนี้แล้ว อำนาจแห่งความดีนั่นเองได้อำนวยผลให้ความสุขในชีวิตของตนที่ยังเป็นอยู่หนึ่งไม่เป็นพยาธโลคาสองไม่ทุกข์ลำบากในการอยู่กินสามในการไม่มีใครที่จะมาทำลายเบียดเบียนประการใด สี่ตนของตนนั่นเองอายุยืนยาว <c oughs> ห้าตนของตนนั่นเองได้ความรู้ความฉลาดคิดอ่านอะไรปรดปรุงดีตลอดไป <c oughs> อันนี้เป็นแรกว่าคือความสุขของมนุษย์ที่ได้สะสมไว้แล้ว ได้มาเป็นมนุษย์อีกก็มีความสุขความสบายใจอย่างนี้ความทุกใดใดที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตและในครอบครัวของตนตลอดเป็นนิดอันนั้นเป็นแรกว่าอะกุชลาธรรมมา <c oughs> คือ อกุศลกรรมคือบาปกรรม ใ, ใดๆทุกอย่างที่ได้สะสมไว้แล้วตั้งแต่อนเนกชาติเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตนของตอนเป็นพญาโลคาตนของตอนนั้นขาดตกปกพองการใช้สอยประการใดตนของตอนนั้นเองความคิดอ่านอะไรไม่เกิดขึ้น ชีตนของตอนนั่นเองมีบุคคลที่การเบียดเบียนตลอดมาเป็นนิดหาตนของตอนนั่นเองมีจนาทีอายุสั้นเข้าไปทุกทีหกตนของเต็นของตอนครอบครูเจ้าของไม่มีการเจริญถาวรประกันใดๆอันนี้พระแมกว่า คือกุเชอกุเชลากรรมอกุเชลากรรมแปลว่าคือกรรมความชั่วคือบาปใดๆทุกอย่างที่ได้เกิดขึ้นจากที่เราได้เป็นมนุษย์ <c oughs> <c oughs> เป็นสัตว์เดรัจฉานอันนั้นแปลว่าความดีไม่เกิดขึ้นความชั่วไม่เกิดขึ้น ไม่จะเริ่งเวทนาต้องการอยากจะกินตลอดไปและกลัวความตายอยู่จนตลอดไปเป็นนิดในชีวิตของตนไม่ว่าสัตว์ในบนบกและในน้ำพระการ ใ, ใดๆอันนี้พนแนกว่าคือกรรมความโชดใดๆทุกอย่างได้ปกปิดจิต ใจของมันแล้วความคิดอ่านอะไรไม่ออกประการใดม่จะรู้สึกภาะวะว่าต้องการอยากจะให้ร่างกายอยู่เป็นสุขทอนนั้นเอง <c oughs> <c oughs> นี่บาปกรรมคือเกิดมาจากเมื่อเป็นมนุษย์ทางนั้นเป็นเทวดาแล้วสวยผลความสุข ไม่มีทุกข์ใดๆที่จะเกิดขึ้นให้เก่ประการร่างกายและจิตใจประการใดๆร่างกายของตนก็เป็นสุขใจของตนก็เป็นสุขตาของตนก็เห็นรูปอันงามหูของตนก็ได้ฟังเสียงอันไพเราะ และจมูกของตนก็ได้กลิ่นอันหอมตลอดเป็นนิดปากของตนก็ได้อาหารรสอันดีอร่อยความพอใจตลอดเป็นนิดร่างกายของตนสัมผัสใดใดทุกอย่างมีจะเกิดความพอใจตลอดเป็นนิดอันนี้เป็นเรื่องว่าพวกเทพทั้งหลาย โดยบุญกุศลที่ได้สะสมไว้แล้วในเมืองมนุษย์ในรับผลความดีอย่างนี้แต่ความดีที่จะเจริญขึ้นไปอีกต่อไปเมื่อหน้าไม่มีมีแต่ความสุขที่ตนของตนที่ได้สะสมมาแล้วอย่างไรในรับผลอย่างนั้นตลอดไป ความทุกข์ของเทพมีอยู่ว่าหนึ่งตนของตนรัศมีไม่สว่างสวยเหมือนกับของคนอื่นมากมายสองพระกายของตนกลิ่นอันหอมนั้นมีน้อยสามตนของตนนั่นเองและเครื่องนุ่งห่มประการใดๆไม่สวยงามเหมือนของบุคคลอื่น สี่ตนของตนรูปร่างกายก็ไม่งามเหมือนของคนอื่นห้าตนของตนใจไปมาประการใดบริวารจะเป็นพักผวกเพ่อนผงของตนก็น้อยลงไปหกตนของตนการที่ได้อำนาจประการใดจะเข้าในสังคมใดใดทุกอย่าง ตนของตนต้องกระเด็นออกไปไกลไปไกลไปเทวบุตรเทวดาเข้ามาใดๆตนของตนมีอำนาจน้อย <c oughs> ในขั้งเมื่อพุทธเจ้าของเราอังคูลเทวบุตรผู้ที่ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าในป่ามหาวันเมืองกรุงกบิลละพัฒเมื่อมาทีแรก แต่แกนั่นเองไปนั่งใกล้พุทธเจ้าสะดับรับฟังประการใดๆต่อมาเทวบุตรทั้งหลายไหลกันมาเทวดาทั้งหลายไหลกันมาองคูณเทวบุตรไหลออกไปไหลออกไปไหลออกไปผลที่สุดได้ไปอยู่กลางมหาสมุทรอันนี้แปลว่า ตนของตนนั่นเองได้สะสมทาความดีของตนไว้น้อยเมื่อการให้ทานของตนที่วงทานของตนหกสิบโยชนมีการให้ทานตลอดเป็นนิจ1น0่พันห้าปีให้ทานอยู่อย่างนั่นเป็นนิจการ และผู้ที่รับทานของตอนนั้นเป็นคนผู้ถุกศิลเป็นคนที่ไม่สะอาดเป็นคนที่ฉกปกกประกาในใดๆอำนาจให้ทานของตอนจนถึงหมื่นห้าพันปีกว่าและถึงปันนั้นมาเป็นเทวบุตรอังกูลก็แปลว่าอำนาจของตอนน้อยที่สุด <c oughs> อันนี้เป็นเรียกว่าในการสะสมความดีของตนไม่ถูกต้องไม่ถูกตามระเบียบธรรมะขององค์ปุทถะและผลที่ความสุขและอํานาจความดีของตนจึงไม่น้อยลงไปนี่ให้เราทุกคนเทวบุตรเขามีความทุกขอย่างนี้เท่านั้นเองเทวาดาทั้งหลายเพราะฉะนั้น ในการไปตกนรกมีแต่ความสวยความทุกข์อยู่ตลอดเป็นนิดความคิดอ่านอะไรไม่เกิดขึ้นได้นึกได้ตั้งแต่ตนของตนนั่นเองได้รับผลความทุกข์อยู่จนตลอดกันไปเศรษฐีสีคนที่เป็นนักเลีงยงผู้หญิงในศาสนาพุทธเจ้ากัสระ ลูกของใครเมีของใครขอให้มันลูบล้างสวยงามหน้าที่ตนของตนต้องเงินบุกลุกเข้าไปเอามาเป็นภรรยาชั่วขาวตลอดไปเป็นนิดเมื่อเขาตายแล้วไปตกนรกอวิีพ้นจากอวิจีขึ้นมาไปตกนรกโนรูลุวันนรก จมลงไปสามมื่นปีนอนอยู่พื้นนรกอีกสามมืนปีฟูขึ้นมาอีกสามมื่นปีจึงได้คำพูดว่าทุกษาณนะโศกี่คนได้ขี่คำเท่านั้นเองแปลภาษาเราว่าความดีไม่ได้ทำหนอได้ทำแต่ความชั่วท่นั้นเอง อันนี้เดียวนี้กันยังอยู่โนรูลุ่นณรกอยู่ตลอดกันไปอันนี้พูนเรยว่าเปรตนรกที่สวยผลความทุกข์ของตนตลอดไปเป็นนิดสวยความทุกข์อยู่ตลอดอันเปรตทั้งหลาย <c oughs> ที่เขาเกิดเป็นเปรตเล่ลอนสันจรอยู่ทั้งบนหลังดิน ภูมิของมนุษย์คนเราอันนี้สวยกรรมความชั่วของตนต่างคนต่างสวยวิบากกรรมเจ้าของตลอดกันไปเปรตหมูหนึ่งผูกมัดตลอดเป็นนิดน้ำไม่ได้ ก, กินข้าไม่ได้ ก, กินและนอนก็นอนข้างติ้วตลอดไปเป็นนิษฐอันนี้พลวัตเปรตหมูหนึ่ง เฟทมูที่สองถูกไฟไหม้จนหมดเนื้อหนังไม่ยังยังแต่กระดูกต่อกันอันนี้เพ่นแรวก่าเรตมูที่สองอยู่หลังแผ่นดินเฟทมูที่สามถูกซับฟันอยู่ตลอดเป็นนิดอันนี้แปลว่าเฟตสวยผลความพุบเเรตมูที่สี่อันนั้นสับทั้งหลายกัด กินเนื้อหนังจนหมดไม่มีอะไรแล้วก็หายไปสัตว์เหล่านั้นกระนุกหรือเนื้อหนังติดขึ้นมาสมบูรณ์เกิดสัตว์กัดกินอีกอย่างเก่าเปรตโมเท่าห้าไม่มีอะไรกินมีความหิวอยากตลอดเป็นนิจวิ่งเต้นอยู่ในโลกโคกโคกจักรวาลอันนี้เป็นนิจจการ ที่ไหนเขาทำบุญไปแล้วก็ไม่ได้กินอะไรทุกอย่างทุกอยู่อย่างนั้นอันนี้พลเปรตสรัมภเวสีมีอยู่อย่างนี้ตลอดกันไปอันนี้เปรตอยู่หลังดินที่เมืองมนุษย์คนเราเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่สวยผลความทุกข์ของตนอีกพวกผีทั้งหลายในโลก ผ้านุ่งส ก, กปรกร่างกายมอแมแหมมเหมือนเขาเราทาหมิ่นหม้อและกลินกายเหม็นที่สุดอาหารจะกินก็ไม่มีกินขี้ดินกินเก็ดไม้กินขี้ไขไ่ไมกินขี้ไข่หินกินไปอย่างนั้นตลอดไปอันนี้แปลว่าโภกผี มันมีผ้านุง่งห่มเปรตนั่นไม่มีผ้านุ่งห่มมีตั้งแต่สวยความทุกข์ตลอดไปผีมูหนึ่งห้าปีของเราเท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่สองสิบปีของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูที่สาม สิห้าปีของเราเท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูท่สี่ยี่สิบปีของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาผีมูท่ห้ายี่สิบห้าของมนุษย์เท่ากันกับวันหนึ่งของเขาอันนี้ผีก็มีห้ามู่เปรตก็มีห้ามูอยู่ในหลังดิน ที่ภูมิของมนุษย์คนเราอย่างนี้เทวดาภูมิมาเทวดาสวยผลความสุขมีโตเตียงตังเก้าอี้หมูมสาสตร์หมอนที่หลับนอนตามสบายใจที่อยู่ใสสะอาดแต่อยู่ตามพื้นเพียงกับมนุษย์คนเราตลอดไปลุคเทวดา ภาษาที่ห้อยอยูบแอบอาศัยต้นไม้แต่เป็นที่อยู่ของเขาอีกต่างหากอากศาศธาตุเทวดาเทวดาที่เลื่อนลอยปราสาทในอากาศตลอดกันไปชั้นจตุมหาลาชิกาและอยู่ชั้นผูกบนสวรรค์ยามมา ตาวติงสาตุจิตานิมมานอระดีปริมิตตาสวดีพวกเหล่านี้มีความสุขความสบายใจแต่ไม่ได้เพิ่มบุญกุศลให้แกจิตของตนพระการใดไม่ได้เพิ่มบาปกรรมใดใดให้แกตนของตนพระการใดใดอันเป็นมนุษย์นี้มีความเพิ่ม คือบุญกุศลให้แกจิตของตนมีความเพิ่มบาปกรรมให้แกจิตของตนตลอดกันไปให้เราคิดนึกมนุษย์คนเราเกิดมาในเวลาบัดเดี๋ยวนี้ทำไมยังสูงสูงตำต่ำกว่ากันผู้ที่รวยก็รวยที่สุดผู้ที่ทุกข์ก็ทุกข์ที่สุด ผู้ฉราดก็ฉลาดที่สุดผู้ที่งโง่ก็งโง่ที่สุดผู้ที่สวยงามก็สวยงามขนาดหนักหนาผู้ที่ขีเละ ก, ก็แปลว่าหน้าเกลียดไม่ต้องการอยากจะกินเข้าร่วมปนผงกับคนอย่างนั้นตลอดไปอันนี้เราคิดนึกในตัวของเราแปลว่าบุพกรรมที่เขาสะ สมกันมาไว้ของตอนจึงได้ึ้นเชื่อสุกขาเวทนาสัมปยุตามมาาายตาธรรมาสวยแล้วทุกขาเวทนาสัมปยุตตาธรรมาอทุกขามสุกขาเวทนาสัมปยุตตาธรรมาเขาได้สะสมไว้แล้วในเมืองมนุษย์กุชลาธรรมาอกุชลาธรรมาอัพยากตาธรรมมา เมื่อเวลานอนหลับนั้นบุญไม่เกิดขึ้นบาปไม่เกิดขึ้นประการใดๆนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าเวลาบัดเดี๋ยวนี้ตัวของพวกเราจะตั้งใจสะสมบุญกุศลเกิดขึ้นได้อยู่เพระาะศาสนาของพุทธโคตมะที่ได้วางไว้แล้วห้าพันปียังสมบูรณ์อยู่ ในเวลาบัดเดนี้ค่อยเราคิดอ่านใช้ปัญญาพิจารณาเถิดบุญเราไม่เห็นบาปเราไม่เห็นเห็นแต่ลัทธมีของบุญเห็นแต่ลัทธิมีของบาปลัทมีของบาปคนทุกคนอยากคนหูหนวกตาบอดบาบ่ายเสจจิตที่ถูดกุดทัง เองค์คะลคณะปักการใดถูกให้ไล่เขียนใจที่สุดอันนั้นแปลว่าลักษมีของบาปบุญกุศลบุคคลมั่งมีล่ำลอยรูปร่างผิวพันวันนะว่าจาสละสะลวยไปมาเป็นที่หลักไข่พอใจของบุคคลทั่วไปอันนี้เิ่นแล้วว่าลักษมีของบุญ บุญนั้นมันอยู่ในใจบาปนั้นมันอยู่ในใจนี่ให้เราทุกคนเมื่อบุคคลบุญกุศลแรงกล้าที่สุดสามารถใช้ชนะสิงความชั่วใดๆในใจของตนใจนั้นไม่ฟุงชารใจตั้งได้สมบูรณ์ความสว่างสวย แจม้มใสเกิดขึ้นภายในใจของตอนก็รู้จักเหตุผลว่าอันนี้บุญอันนี้บาปอันนี้แปลว่าผกเปรดอันนี้ผกผีอันนี้กรรมความดีและกรรมความชัว่วอันนั้นเทวบุตรเทวดาและสวรรค์นรกรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีการถามบุคคลผู้อื่นเพราะบุญกุศลของบุคคลคนนั้น ใช้นานะชิงความโชว์ความสว่างสวยเกิดขึ้นรู้จักได้ทันทีมีให้เราทุกคนจงคิดนึกองค์พุทธเจ้าไม่มีการโกหกมุสาวาประการใดพุทธองค์พูดเป็นความจริงหมดทุกอย่างอันที่ธรรมะขององค์พุทธะที่ได้วางไว้แล้วประการใดๆพอฉะนั้นให้เราจงคิดนึก ตนของตนทุกคนว่าเวลานี้เรายินดีพอใจต้องการอยากจะได้บุญกุศลโดยเหตุว่ราะการใดตัวของเราได้สะสมบุญกุศลกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนเก่าอันนั้นเองบังคับบัญชากระชิบให้จิตของเราคิดนึกอยู่เสมอ แต่ยังวิทันชัยชนะยังเป็นคนมือดอยู่จนตลอดกันไปนี่ให้เราทุกคนจงเข้าใจว่าตัวของเรามีนิสัยปัดใจในการความดีของตนจะยังวิทันชัยชนะจึงได้ขึ้นชื่อเราเป็นคนบุตุชนคนมืดหน้าที่ของพวกเราอันจะมีการเกิดต่อไปเป็นมนุษย์เป็นสัต เป็นเปรตเป็นเทวดาตกนรกไปสู่สวรรค์สุดแล้วแต่จังหวะตนของตนจะตกให้เวลาอย่างไร <c oughs> นี่ให้เราจงเข้าใจตนของตนทุกคนตลอดไปเป็นนิดเดี๋ยวนี้ร่างกายอันนี้คือใจเป็นเจ้าของบังคับบรญชาอยู่ตลอดเป็นนิดมันดูแลอยู่ปกปักรัก สาสาลีละหลางกายอนนี้ถาดทั้งสี่ถาดดินถาดน้ําถาดลมถาดไฟทั้งสี่ประการนี้ประกอบกันอยู่ถาดดินได้แก่ของแข็งตั้งแต่ผมขนเล็บหนังเนื้อกระดูกอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นถาดดินถาดน้ําก็นําเลือดนําเนื้อนําเหงื่อนําไข่น้ำหมูกนําหูนําตาน้ําลาย น้ำมันไข้ข้อน้ำมันคุ้นน้ำมันเปลียวและน้ำต่างๆที่เลื่อนลอยในหลางกายจะหลอดเป็นนิสถาดลมก็ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เปลี่ยนออกชิ่เย็นแปลว่าอันมันไม่ดีก็ปล่อยออกไปอันมันดีก็ชูเข้ามาเลี้ยงหลางกายอันนี้ได้เกิดถาดลมอยู่ในหลางกายอันนี้ ธาตุไฟความอบอุ่นอยู่ตลอดเป็นนิสในสาลีละหลางกายสำรับหุงต้มในกระเพาะตลอดกันมาเพราะฉะนั้นใจของเราเป็นเจ้าของของสาลีละหลางกายเมื่อธาตุทั้งสีอันนี้ไม่สม่ำเสมอกันแล้วใจก็หนีทันทีเมือ่อหนีไปแล้วบุญตกแต่งเมือ่อหนีไปแล้วบาปตกแต่ง เมื่อหนีไปแล้วทําตกแต่งอันนั้นได้เก็กบผูกพรมทางหลายที่สวยองค์ศาญเหนเรียกว่าทําตกแต่งเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดนึกตัวของเราทุกคนอยู่ในเวลาบัดเดี๋ยวนี้อายุของพวกเราเที่ยงไหมอ น, นิจ้าแปลว่าไม่เที่ยงทุก ขาเปลวเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังต้องการอยากจะให้หนุมแน่นยังเก่าทำไมยังเท่าเกศลาคำคล้าอันนี้และอันนี้จะมีอยู่อย่างนี้พุทธเจ้าที่ดีวางไว้แล้วอย่างนี้ตลอดกันมาให้เราทุกคนจงคิดอ่านพิจารณาตนของตนทุกคน เราจึงจะได้พบปะองค์พุทธเจ้ามาภาย้างหน้าคือพระศีอริยะจะมาตรัดในโลกสาวกของพุทธเจ้าพระศีตั้งแต่ขั้นพระโสดาตลอดถึงอัลหันเก้าร้อยล้านกับเจ็ดสิบล้านแปดแสนห้ามืนของสาวกอีกหลายหมื่นล้าน เราผู้เกิดมาจะได้ชกปะจะได้สักการะบูชาจะได้กราบไหว้สะดับรับฟังจะได้ทำความดีของตนทำที่ถูกต้องทุกร็อกอันดีที่สุดไม่เหมือนอังกูลเทวดาเทวบุตนนั้นเมื่อนั่งเข้าใกลพุทธเจ้าแล้วเทวตรทั้งหลายมากนนันหนีออกไปอยู่กลางมหาสมุทรนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึก ตนของตนทุกคนฝักไฝตั้งใจอยู่เสมอปิ น, นิดในชีวิตของตนเราทุกคนจึงจะมีการเกิดการตายในโลกอีกหลายภพชาติกว่าจะได้พบปะองค์พุทธเจ้ามาตรตอมาภัยขังหน้านี่แหละที่อาตมาได้แสดงในกุศลธรรมะอากุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะ ทุคหายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาทุกขายาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาอัตุขมาสุขหายาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมาพอทรงคุณกับละเวลาอีวังก็มีด้วยประกาศลาสนีอัตังใจอุทิศหาอิ้อยตาเลึกอาดาศิวีอากาศศิวยติมิตาเจ้าข้าเจ้าเมย เปตานังทักขิณังชัตาปุเพิกะตามนุษย์สลังนาฮิลุนังวัจุโกราชาวัญญาปิเจวนาณตังเปตานามัทยาอิวังติทันติยาใจโยอเยนจโคทกินาทินาตังกัมหิสุปจิตติตาทิคาลาตังหิตายัจชะนาโซปกปติโชยติธัมโมจะยังชาจิตโต เบตาณะพุทธะสกตะอุนละลาภัลัญจพิกุนุปานินังตุมเฮหิปัญังปัจจุตังอนาปกัณติภวตุสัพพมังกลังละขันตุสัพพะเทวะตาสัพพะพุทธาสัพพะธัมมาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทชาสุทีพะวันตุเต